พระบัญญัติ5 5 8ก็ภิกษุใช้ให้ทำสันทัดใหม่แล้วพึงใช้สอยให้ได้6ปีถ้าต่ากว่า6ปีเธอจะสละหรือไม่สละสันถัดนั้นก็ตามใช้ให้ทาสันถัดอื่นใหม่ต้องอาบัตรนิสักิยาปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบ